เขาไปเข้าฝันบอกอะไรเธออีกหรือเปล่าน้อยชยันถามขึ้นขณะที่ทั้งห้าคนยืนรายล้อมโครงกระดูกอยู่หมอดารินสันส่นีรษะไม่เลยนะไม่แพ้วฟานอีกเลยฉันหลับสนิทไม่ฝันอะไรสักอย่างหลังจากนั้นทั้งๆ ท, ท, ที่อยากจะฝันถึงเขาอธิษฐานภาวนาไว้ด้วยซ้ำเชอะก็น่าเสียดายนะก็น่าจะไปเข้าฝันบอกอะไรต่ออะไรเธอได้อีกมากทีเดียว เกี่ยวกับการเดินทางที่ควรจะเป็นประโยชน์สำหรับเราทุกคนก็นั่นนะสิฉันก็คิดหวังไว้เช่นนั้นล่ะแต่ก็ไม่มีวิ่แววอีกเลยมันคล้ายกับว่าการที่เขาเข้าฝันชันในครั้งแรกก็เพื่อจะบอกเตือนให้เรารู้ว่าพวกเราเดินทางมาพักอยู่ในถ้ำของเขาและทักทายปราใสในฐานะเจ้าของสถานที่เท่านั้นให้หลังการเคารพ บ, บอกอาลาแกซาโครงกระดูกนั้น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 ลักษณะมันไม่มีทางจะมองเป็นสันฐานสวงอกของสตรีไปได้เลยจนนิดเดียวมีหนำซ้ำเมื่อหันกลับไปทางด้านใต้อันเป็นสถานีเนินจันที่มาตั้งหลักพักแหลงกันอยู่ถึงสองวันและเพิ่งจากมาเมื่อคืนนี้เองทุกคนก็งงงันไปหมดเพราะมองไม่เห็นสันฐานลักษณะอย่างที่คิดว่าควรจะเห็นซะแล้วแม้รับพินไพรวันเองถ้าจะถูกถามในายามนี้ว่า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 ของกว่าตาสำรวจไปรอบๆอยู่เช่นนั้นชยันมาเรียและดารินพิจารณาภูมิประเทศที่แปลกตาไปอย่างตื่นใจทุกสิ่งทุกอย่างมันดูลี้ลับแปลกตลาดไปหมดคำบอกเล่าหรืออีกในหนึ่งคำสั่งของลายแทงบัตรนี้พิสุจน์ชัดออกมาแล้วว่ามีความหมายอย่างแท้จริงถ้าผิดการเวลาผิดสถานที่ซึ่งระบุ ก, กาหนดไว ประตูของเส้นทางจะไม่มีวันคนพบได้เลยแม้แต่ภาพนางนอนอันเป็นตำแหน่งที่หมายเนินจันยามนี้ก็หันกลับไปมองไม่เห็นร่องรอยเข้าโครงอะไรทั้งสิน้นนอกจากจะสังเกตที่เขาสิวเทพซึ่งตั้งเด่นอยู่ย่างพื้นที่ราบต่ำลิบลิลงไปเบื้องล่างมองจากบนตำแหน่งที่ทุกคนยืนอยู่ในขณะนี้เหมือนจอมปลวกเล็กๆที่งอกขึ้นมา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 นี่คุณคิดว่าคุณเก่งกว่ามังมหาราชอีกเหรอดารินลืมตาโตร้องถามมาท่านใหญ่หัวรอบเบาๆในลําคอเปล่าผมไม่เก่งไปกว่ามังมหาราชผู้เป็นเจ้าของลายแทงฉบับเดิมโอกแต่อันเนื่องมาจากที่ผมได้เดินตามคําสั่งของเข้ามาจนพบความจริงทุกสิ่งทุกอย่างในเส้นทางสายนี้แล้วผมย่อมจะทําแผนที่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 คุณชัยันครับยืนอยู่ตรงนี้เนะี่ยคุณพอจะชี้ถูกไหมครับว่าตำแหน่งไหนคือเนินจันทร์ที่เราจากมาละมันมีทางอะ่ะนอกจากเดาเท่านั้นแหละใช่ไหมเชตาเอาละครับเป้าหมายเนินจันทร์อาจจะมองยากครับเมื่อเราขึ้นมาอยู่บนนี้แล้วคราวนี้ลองใช้สามัญวินิจฉัยในละแวกใกล้เคียงกับเนินจันทร์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 ทุกคนฝ่ายนายจ้างของเขาหันกลับไปจ้องทิศทางเดิมเป็นตาเดียวมันไม่เป็นการยากนักที่ทั้งสี่คนจะชี้ไปยังจอมปลวกโดดเดี่ยวอันเลหเห็นอยู่ลิบลิโดยไม่มียอดอื่นใดมาปะปนให้สับสนนั่นใช่ไหมคล้ายๆเสาหลักที่ปักอยู่กลางพื้นราบข้างล่างนั่นระรพินยิ้มก้มศีรษะครับใช่นั่นแหละครับคือเขาสีวเทพ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 ชี้ทางให้ผู้ที่จะเดินตามมาสามารถเข้าถึงโดยแม่นยาเท่านั้นเขาก็ไม่ต้องมาเสียเวลารอเริกยามกำหนดกฎเกณฑ์อะไรทั้งสิน้นดิ่งมาตามแผนที่เท่านั้นไปนถึงได้อยู่วันยังค่ำนะครับจริงของคุณผู้กองจริงอย่างที่สุดขอเราเห็นชัดในระหว่างจุดต่อจุดเท่านั้นการทำแผนที่นี่ก็ไม่ยาก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 แต่เราก็ยอมรับกันมาช้านานตลอดเส้นทางสายนี้ไม่ใช่หรือครับว่ากฎของวิทยาศาสตร์ไม่สามารถให้ประโยชน์อะไรแก่เราได้เลยเจต t าแย้งมาด้วยอาการไตรตรองลึกซึ้งรับพินนิ่งคิดแล้วกมศีรษะลงรับโดยดุษณีก็อาจจริงอย่างที่คุณชายพูดเหมือนกันนะครับเอาละวันนี้เราจะพิสูจน์กันเป็นครั้งสุดท้าย ว่าเนือยอดทิวของเขาลูกที่เราไต่ขึ้นไปนี้มีถนนสายใหญ่ที่จะนำไปถึงปราศาสตรของพระอุมาเทวีอันเป็นแหล่งเก็บคุมทรัพย์มหาศาลจริงหรือไม่ในลานแทงบอกไว้ว่าโดยถนนสายนี้ใช้เวลานานสามวันก็จะถึงตัวมหาปราศาทก่อนที่จอมมักคุเทศจะสั่งให้เคลื่อนขบวนไต่ขึ้นเนินเขาทางซีซ้ายมืออันเป็นทางลาดประมาณ45องศา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 นายหญิงให้กินยาทำไมตาพรานเท่าตัวแทนของฝ่ายลูกหาถามขึ้นอย่างสงสัยอย่าว่าตะบุญคำหรือพวกนั้นเลยแม้แต่เชิดถาชายันมาเรียหรือระพินเองก็ออกจะงงๆต่างพริกยาเม็ดลักษณะประหลาดสีน้ำตาลเข้มดูอยู่ไปมาและมองหน้าแพทยประจำคณะผู้แจกให้สั่งปาน่ะมียาแก้พิษนายหญิงพูดรเรียบๆช้าๆ หน้าตาเฉยแงซ า, ายมียาแก้ง่อยบุญคำมียาแก้หนาวใครตัวใครในพวกเรานะ่ล้วนมีของดีกันทั้งนั้นนี่และจะไม่ให้นายหญิงมีดีบ้างเชียวหรอพวกนั้นยิ่งงงจัดก็ ก, ก็นายหญิงเป็นหมอหลวงยังไงล่ะรักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของพวกเราทุกคนอยู่แล้วอะจันว่านั่นะมันเรื่องธรรมดา ยังไม่เก่งเหมือนพวกของบุญคำนักหรอกไอ้ที่แจกไปให้นะัะเก่งพอๆกับ พ, พ, พวกของบุญคำทีเดียวอะไรล่ะนาะยหญิงอะงั้นบอกก่อนทุกคนหิวไหมหิวสิโทรนาะยหญิงถามได้ใส่จะขาดอยู่แล้วสร้างปลาบนอู้อีในภาษาของมันทำหน้ามุย่ยภายหลังเมื่อมาเรียแปลข้อความของนายหญิงให้ฟังอะงั้นก็ดีละ ถ้าใครหิวก็กินยาเม็ดที่ฉันแจกให้นั่นสะมันคือยาแก้หิวจะเคี้ยวหรือจะกลืนก็ได้แล้วกินน้ำตามเข้าไปแล้วต่อจากนี้ไปอีกหกชั่วโมงจะไม่รู้สึกหิวอีกเลยน้อยเชษฐากระชยันลืมตาโพลงร้องออกมาพร้อมกันดารินหัวรอเสียงใสแล้วบอกว่าอาหารสกัดสาเร็จรูปครับพี่ใหญ่ให้แคลอรี่สูงมากมันไม่มีรสชาติอะไรหรอก แต่ใช้ประทังชีพได้ในคราวจำเป็นและไม่มีกาศน้อยคิดว่าในการเดินทางของเราไม่เวลาใดก็เวลาหนึง่งเราต้องมีโอกาสใช้มันแน่ๆก็เลยเตรียมมาพร้อมในชุดเวชพัณฑ์ทั้งหมดที่ได้ยินตะลึงงันไปด้วยความยินดีแม้แต่ระพินไพรวันเองเขาคิดไปไม่ถึงเลยในความรอบครอบของแม่ดอกฟ้าดารินของเขาสมละที่หล่อนเป็นทั้งแพทย์และนักวิทยาศาสตร์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 ในแถวเรียงเดี่ยวและเหยียบทับซ้ำรอยกันไปโดยไม่แยกไปปะออกข้างทางและขอตัวมาเรียขึ้นมาร่วมเดินเคียงนำอยู่เบื้องหน้าเพื่อคอยปรึกษาในเรื่องพื้นที่อยู่ตลอดเวลาในฐานะที่แม่สาวชำนาญในภูมิประเทศแบบนี้มากกว่าเขานี่ไครวันทำไมสังเกตเห็นแนวพื้นหินอยู่บ้างเลยอย่า ก, ก้าวลงไปนะ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 ที่มีพรรคพวกกําลังไต่เรียงเดี่ยวขึ้นมาเป็นขบวนและทํามือโบอกเป็นสัญญาณให้เดินตามรอยที่หล่อนกับประพินล่วงหน้าขึ้นมาก่อนแล้วพวกที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดก็คือพวกหาบหามซึ่งต้องเคลื่อนตัวไปด้วยความยากลําบากขีดสุดเสียงบุญคําสะบดดาขาโมงโฉงเฉงอยู่ตลอดเวลาแกก้าวพลาดเสียหลักลื่นหกล้มและพลอยฉุดเอาคู่หาบคือจันทร์ให้ล้มลงไปด้วยหลายครั้งแล้ว ขยินผู้หาบอยู่เบื้องหลังแง่ทรายก็ถึงกับกลิง้งเป็นลูกขนุนคลุก ๆ, ๆลงมาเพราะดีที่เชษฐาผู้คอยระวังคุมอยู่ก่อนแล้วคว้าเจ้าตัวนักเลงโตหล่มช้างไว้ได้ทันก่อนที่มันจะกลิ้งอย่างไม่รู้ทิศลงไปไกลกว่านั้นทุรัก์ทุเลกันอยู่ไม่ใช่น้อยผู้ที่คล่องตัวที่สุดยามนี้ไม่ใช่รพินไพร์วันจอมมาคุเทหากแต่กลายเป็นมาเรียไปซะแล้ว หล่อนทำหน้าที่เรือนําร่องได้อย่างดีเยี่ยมจากประสบการณ์ความชํานาญที่เหนือกว่าใครทุกคนชั ย, ยันนั้นอยากจะเร่งฝีเท้าขึ้นมาให้ทันเมียมแหม่มของเขาแต่ก็หมดความสามารถได้แต่กระตุม่มกระเตียมเกาะหมูอยู่กระเชิฐาและดารินมองขึ้นมาจากข้างล่างนั่นว่าน่าจะเดินขึ้นมาได้อย่างง่ายๆอะไรได้ลําบากมันเลยชั ย, ยันบ่นกับเพื่อนทั้งสอง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 จำพรางตัดกิ่งสนภูเขาต้นหนึ่งที่ขึ้นอยู่ข้างๆริมทางลิดกิ่งเล็กๆออกจนเหลือเป็นท่อนยาวประมาณ2เมตรแทนไม้ถ่อพยุงตัวและเอาไว้สำหรับทิ่มแทงพื้นเพื่อสำรวจหาความแน่นหรือสวกของขีมะที่ปกคลุมอำพรางตาอยู่นี่เล่นสกีเป็นไหมพัญญาของอดีตนายจ้างผู้ล่วงลับ และปัจจุบันนี้ก็ตกมาเป็นพัญญาของนายจ้างอีกคนหนึ่งของเขาอยู่ดีเอ่ยถามขึ้นน้ำเสียงราเร่ไม่เคยอะนอกจากส ก, กีน้ำนี่ถ้าได้ส ก, กีสักคู่หนึ่งสำหรับฉันนะเดี๋ยวนี้ก็วิเศษสุดเหมือนกันได้เกิือกแก้อย่างนั้นแหละหล่อนปรารบมาเรียช่างพูดเสมอถ้ามีโอกาสใกล้ชิดเขาตามลำพังอ้าวคุณส ก, กีจะมีประโยชน์อะไรขึ้นมาได้เล่า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 แต่คนที่ไม่คุ้นเคยมาก่อนนะ่ะมันไม่ช่วยอะไรขึ้นมาได้หรอกไพวันหึถามจริงๆคุณคิดว่าคนสาบศูนย์คนนั้นตัดทางขึ้นมาเส้นเดียวกับเรานี่ไหมผมไม่กล้าเดาหรอกเมแต่เชื่ออย่างเดียวนะว่าสองคนนั้นเป็นนักเดินทางเสี่ยงภัยที่สามารถที่สุดยิ่งกว่าพวกเราทุกคนจะอีก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 ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าจะมีถนนอะไรนะ่ะอยู่บนยอดนั้นตามที่ลายแทงว่าก็คงเหมือนกับความไม่น่าเชื่อว่าจะมีปิ่นพระศิวะและถันพระอุมาอย่างที่เราเห็นเมื่อประมาณห้ทุ่มเมื่อคืนนี่แหละคุณนี่เรากำลังอยู่ในส่วนไหนของโลกตามภูมิศาสากลนั่นเนี่ยอาจจะอยู่ด้านหลังของแผนที่ภูมิศาสากลก็ได้มั้งคุณมาเรียจ้องหน้ารับ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 และบางทีเราก็อาจจะพบสัตว์ด้วยนั่นเป็นคำแนะนำที่มีคุณค่าที่สุดของมาเรียอีกชั่วโมงต่อมาทํามกลางอากาศอันครึ้มสลัวทั้งหมดก็พากันมาเดินอยู่บนไหลเนินตอนหนึ่งซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสนภูเขาหิมะไม่นาแน่นักในบริเวณนี้พอจะมองเห็นพื้นดินได้ถนัดขึ้นมันเงียบเสียจนได้ยินแต่เสียงลมหายใจหอบและสัมภาระที่แกวงกระทบ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 เสียงฝีเท้าวิ่งของมันดังสะเทือนไปในความเงียบและปะทะพงไม้เตเตียที่ขึ้นสลับอยู่เป็นระยะดังโครมครามชายันรีบสลัดไรเฟิลลงจากไหลด้วยสัญชาตญาณแต่มารีจับข้อมือไว้สันสีสระเป็นความหมายห้ามและยิ้มให้อย่าตื่นเต้นไปนักเลยชยันถ้าเราต้องการอาหารไรวันคงจะยิงก่อนเธอ ล, ละล่ะเพราะเขาเห็นมันก่อนหน้าเธอตั้งนาน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 ผมก็นึกว่าคุณชัยยันเห็นกวางสองสามตัวนั่นตั้งนานเลยเหมือนกันไม่นึกว่าเพิ่งจะมาเห็นเาตอนมันตกใจเพ่นเพราะเราเดินเข้ามาใกล้โถงโง่อยู่คนเดียวเราอาดีตนายทหารปืนใหญ่บนอุบอิบดารินเอียงหน้าเข้ามากระซิบหน้าตาเฉยพูดว่าอะเพิ่งรู้ตัวเหรอทิวของป่าสน มาสิ้นสุดบริเวณส่วนหนึ่งของมันบนไหลชัน45องศาลาดสูงขึ้นไปเหนือหน้าผาประมาณ50เมตรจอมพลนหยุดชะงักเงนขึ้นไปสังเกตบนนั้นอยู่ครู่อย่างใจตรองบริเวณส่วนที่ลาดขึ้นไปทั้งหมดมองไม่เห็นหินเลยสักก้อนเดียวนอกจากผิวหิมะกองภูนอยู่ในลักษณะลอนคลื่นเขาหันกลับมาทำสัญญาณให้พวกลูกหาปลงของลงจากไหลหยุดพักลงชั่วคราว ภายหลังจากบุกตะลุยติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสมชั่วโมงเต็มๆกลุ่มนายจ้างก็ล้อมบงเข้ามามีอะไรไม่แน่ใจเหรอรพินท่านหัวหน้าคณะถามบนนั้นครับเขาชี้มือมันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของยอดเนินที่เราพยายามขึ้นให้ถึงถ้ามีป่าสนขึ้นติดต่อกันไปจนถึงด้านบนนั่นเลยพวกหาหามของเราก็คงจะอาศัยเกะาะไต่ขึ้นไปได้ ต่นี่ไม่มีอะไรเลยมีแต่หิมะลื่นๆผมกำลังมองหาลู่ทางที่จะอ้อมขึ้นโดยหาทางที่สะดวกกว่านี้ทุกคนแงนมองตามดูให้ดีนะมันอาจเป็นเพียงไหลเนินส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ยังไม่ใช่ยอดแท้จริงซึ่งเราจะต้องขึ้นสูงกันต่อไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดผมคิดว่ามันควรจะเป็นส่วนยอดแล้วนะครับสาหรับเนินลูกนี้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 นี่ไงไซแกคิดเหมืพวกเราในขณะนี้ไหมคิดยังไงครับนายใหญ่มันอาจมีถนนที่เรากําลังค้นหาอยู่เหนือหัวเราขึ้นไปนี่เองแต่ทางชันมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับสัมภาระของเราถ้านายใหญ่อนุญาตไงไซจะไต่ขึ้นไปบนนั้นก่อนครับเพื่อดูว่ามีถนนอยู่หรือไม่คนใช้พิเศษของคณะตอบด้วยสีหน้าและน้ําเสียงสื่อๆตามบุคลิก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 แล้วผู้กองนั่นแหละควรจะไต่ขึ้นไปดูก่อนถ้าเห็นว่ามีถนนอยู่จริง <c oughs> ก็สัญญาณลงมาผมจะหาทางที่พอจะสะดวกกว่านี้นําสัมภาระและพวกเราคนอื่นตามขึ้นไปเชื่อว่าคงไม่ต้อง อ, อ้อมไกลนักเพราะสังเกตดูด้านขวามือไม่ห่างออกไปโน่นทางขึ้นไม่สู้จะชันนักแต่ถ้าไม่มีถนนผู้กองก็เห็นจะต้องลาบากไต่กลับลงมาเพื่อหารูปทางใหม่กระพินเหลือบตามองหน้า ดูดบุหรีไปได้ไม่ถึงครึ่งตัวก็ปาทิง้งลุกขึ้นบอกกับทุกคนว่าเอาล่ะครับทุกคนรออยู่ที่นี่ก่อนนะกันผมจะขึ้นไปดูเองกล่าวจบเขาก็ไรเฟินสะพายเสียงไหลในท่าที่มั่นคงที่สุดดึงถุงมือหนังให้ตึงกระชับเข้ามาแล้วก็เริ่มไปทางชันอันปกคลุมด้วยหิมะทางสวกทางลื่นขึ้นไปทุกคนจ้องตามหลังเขาขึ้นไปเป็นตาเดียว ร่างของจอมมั ก, กุเทศไตสูงขึ้นไปได้ครึ่งทางแง่สายก็หันมาทางนายใหญ่เราเคลื่อนได้แล้วครับทุกคนตามแง่สายมาเถครับนายจ้างทุกคนหันขับมาจ้องหน้าคนใช้พิเศษเป็นตาเดียวกันอย่างประหลาดใจแล้วจะไปไหนกันนี่แง่สายดารินถามเร็วปือก็อ้อมหาทางขึ้นไปบนนั้นนะสิครับนายหญิงขึ้นไปทําไมกันนี่เมื่อเรายังไม่รู้เลย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 ชายันและมาเรียมองหน้ากันเองอยู่ไปมาให้ตายเถอะไอ้ไก่กับไอ้งูมันมองเห็นอะไรของกันและกันอีกแล้วชายันครางความจริงเราก็น่าจะรู้ความในนี้ตั้งแต่งแงซายรับอาสาที่จะปีนขึ้นไปดูแล้วไม่ใช่เหรอว้ากว่าจะทันสองคนนี่พวกเราก็ต้องโง่ก่อนทุกทีสินะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้แน่แน่แล้วพิงขึ้นไปจนจะถึงแล้ะ เอาไปว่ารอฟังข่าวจากเขาอีกเดียวเดียวเท่านั้นเชษฐาผู้ไม่ยอมเชื่ออะไรง่ายๆทักขึ้นพร้อมกับบกมือระพินไพรวันในสายตาของทุกคนที่จับจ้องขึ้นไปในขณะนี้ไตช้าๆขึ้นไปจนถึงขอบบนสุดเขาลื่นมีอาการเหมือนจะถลายคลูดลงมาสองสามครั้งแต่ก็หยุดตัวเองในท่าหมอบพังภาพแน่พื้นหิมะชั้นนั้นไวได้แล้วในที่สุดก็นากายหายรับขึ้นไปเบื้องบน ทั้งหมดเบื้องล่างจ้องขมิงกลั้นใจรอฟังข่าวอยู่ด้วยความกระวนกระวายพบนะก้อยเป็นอย่างที่แงาสายว่าเธดารินเผลอตัวภาวนาออกมาเบาๆหลายอึดใจทีเดียวที่พรานใหญ่รับหายขึ้นไปท่ามกลางความเงียบของฝ่ายที่รอคอยเบื้องล่างโดยไม่มีใครขยับขยืขย่นแล้วก่อนที่ชัยยันจะสิ้นความอดทนเอ่ยปากคาใดขึ้นมานั่นเอง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 ชนพวกพรานพื้นเมืองทุกคนยกเว้นแง่ทายคนเดียวโหูร้องสำแดงอาการลิงโลดจะลืมตนทุกคนตื่นเต้นปีติใจเหลือที่จะกล่าวได้จากข่าวดีที่ร้องบอกลงมานั้นแม้จะยังไม่ได้เห็นกับสายตาตัวเองท่านหัวหน้าคณะยิ้มอย่างเบิกบานเต็มที่โบกมือตอบประพินขึ้นไปฝ่ายเบื้องล่างวาแต่วุ่นวายดีใจโดยยังไม่สามารถจะตัดสินใจทาอะไรได้ถูกอยู่พักหนึ่ง ดารินเข้ามาจาับแขนแงไทรายไว้เธอไม่เคยอ่านอะไรของผู้กองผิดไปสักครั้งนะแงไทรายนี่ฉันดีใจเหลือเกินเราจะได้ไปถึงจุดหมายปลายทางสุดท้ายกันสักทีระหว่างที่เบื้องล่างยังมัวตื่นเต้นยินดีกันอยู่นั่นเองสิงจอมคุเทตะโกนลงมาอีกคราวนี้เขาพูดกับแงไทรายแงไทรา ย, ายนำเจ้านายและพวกของเราทุกคนขึ้นมาได้แล้ว เออไปทางซ้ายมือของฉันนี่มันมีทางที่จะขึ้นมาได้สะดวกกว่าทางนี้คนชายพิเศษหันมองหน้าในายใหญ่เหมือนจะตื่นให้ปฏิบัติตามคําของระพินแต่เชิดฐาป้องปากตะโกนขึ้นไปว่าเราสี่คนจะตามขึ้นไปทางเดียวกับคุณผู้ก้องแต่จะให้แง่ซ้ายกับคนอื่ น, อนเอาของขึ้นอีกด้านนึงตกโดครับคุณชาย ไต่ขึ้นมาได้เลยครับแต่ระวังหน่อยนะครับขามันค่อนก้างลื่น้านใหญ่ตะโกนร้องบอกมาท่านหัวหน้าคณะตบไหลแง่ทรายบอกให้พาพวกแบกหามทุกคนแยกอ้อมไปหาทางขึ้นตามที่แานใหญ่บอกที่หมายกำหนดไว้ให้มาเดี๋ยวเราจะพบกันบนนั้นนะแง่ทรายขอยโชคดีนะเขากล่าวปนหัวเราะแง่ทรายกลมศีระให้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 ก็กลายเป็นการคืบกระดึบกระดึบเหมือนจะเป็นการเลื้อยกันขึ้นไปดารินนั้นไหลลื่นลงมาไม่น้อยกว่าสองาครั้งโชคดีที่พี่ชายไต่ขึ้นมาเป็นคนหลังคอยคุมไว้จึงใช้ฝ่ามือยันเท้าของน้องสาวไวได้ไม่ให้ไหลลื่นลงมาเบื้องล่างช่วงสุดท้ายก่อนจะถึงหน้าผาที่ระพินคอยอยู่ก่อนแล้วเป็นทางชันมากที่สุดและลื่นเต็มที่พระหิมะเกาะแข็งตัว ระยะมันก็แค่5้เมตรเท่านั้นที่นั่นเองพรานใหญ่ผู้เตรียมการคอยช่วยเหลืออยู่แล้วก็โรยเชือกส่วนตัวของเขาลงมาให้มาเรียผู้ไต่นาขึ้นไปเป็นคนแรกเงยหน้าขึ้นยิ้มกับพรานใหญ่เอานิ้วจับรดกันเป็นวงกลมส่งให้เขาเป็นความหมายแห่งโชคชัยแล้วคว้าสายเชือกในล่อนไวขมวดแน่นกับข้อมือที่สวมถุงหนังจากนั้นก็ใช้สายเชือกที่ระพิงยึดไว้ด้านบน ไต่ล่าตัวเองขึ้นไปอย่างคล่องแคล่วรวดเร็วพอขึ้นไปถึงก็โยนเชือกลงมาให้ชายันซึ่งกระทำตามในอาการเดียวกันจนกระทั่งเชษฐถาซึ่งเป็นคนสุดท้ายบัดนี้ทั้งสี่คนที่ไต่าตามหลังระพินขึ้นมายืนจ้องตะลึงกับภาพที่เห็นด้วยความตื่นใจเหลือที่จะกล่าวทางสายหนึ่งปลายทางสุดด้านหนึ่งได้มาชนะคาตอนลง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 เสียงใครคนหนึ่งพึมพรรามทำลายความเงียบขึ้นสิ่งมหัศจรรย์อีกชิ้นหนึ่งที่เราค้นพบตรงตามคำบอกเล่าของรายแทงเชษฐถาตะโกนส่วนมาเรียบีบมือดารินบอกอย่างงุนงงว่าฉันแทบไม่เชื่อสายตาเลยนั้นน้อยมันเหมือนกับว่ามีใครเจตนาสร้างไว้งั้นแหละถ้าเป็นผลิตผลทางธรรมชาติ มันก็ไม่น่าจะเป็นถนนสายที่ยาวได้ระดับเสมอกันถึงเพียงนี้เลยหมอดารินเป่าลมออกจากปากหล่อนมองตามถนนสายนั้นซึ่งลับหายสุดสายตาลงไปตามเนินโค้งของยอดทิวเขาซึ่งเห็นต่ําลิบลิลงไปเบื้องล่างโ น, น้นแล้วหมุนตัวไปรอบๆอบกลับไปสํารวจยังปลายทางสิ้นสุดอันเป็นหน้าผาที่ไต่กันขึ้นมาแล้ว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 นอกจากมา่านเมฆเท่านั้นทุกคนสูดลมหายใจอันเย็นชํำเข้าไปในสวงอย่างเต็มที่มีความโสมนัสปีติตื่นอย่างประหลาดในสิ่งที่พบเห็นหันไปทางจอมคุเทศนามสกุลไพยวันเห็นเขายืนมองตามเส้นทางของถนนสายมหัศจรรย์นั้นด้วยอาการอันเงียบขรึมสำรวมตามบุคลิก ป, ปกติของเขา ไม่สอความรู้สึกแสดงออกใดๆให้อ่านความคิดได้ทั้งสิ้นท่านหัวหน้าคณะเดินช้าๆเข้าไปเคียงข้างเขาแล้วยกแขนขึ้นโอบไหลไว้กอดแน่นความตื้นตันทําให้พูดอะไรไม่ออกไปขณะหนึ่งนอกจากกอดจอมักคุเทศแน่นอยู่เช่นนั้นชายันครงหัวอยู่ไปมาและบ่นอะไรพึมอยู่ในคอฟังไม่ได้สับเหมือนจะเชื่อต่อภาพที่พบเห็นใช่ไม่ได้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 เชตาถามพรานใหญ่ขึ้นภายหลังเมื่อระงับอารมณ์ลงได้เป็นปกติครับถ้านุชากนานอินค้นพบถนนสายนี้ก็คงไม่มีปัญหาก็คงเข้าถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการแน่ๆอย่างนั้นใช่ไหมครับผมก็เชื่อมั่นเช่นนั้นครับคุณคิดว่าทั้งสองคนนั้นพบถนนสายนี้หรือเปล่าล่ะจากหลักฐานกลางสุดท้าย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 สุภาพบุรุษในราชสกุลผู้เป็นนายจ้างนิ่งไปครู่ตาประสานนิ่งอยู่ที่เขาและในที่สุดก็ยิ้มเคร่งขรึมเอาละ่ะรบพินเขาพูดหนักแน่นมั่นคงในน้ำเสียงจุดหมายปลายทางแห่งการติดตามของเรามองเห็นอยู่แค่เอือมนี่แล้วจากการเริ่มต้นครั้งแรกที่มีความรู้สึกเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรเอาละ เราจะตามไปดูให้รู้แจ้งเห็นจริงชัดไปกระตาสถทีว่าเขาตายที่ไหนแล้วก็ตายยังไงคุณชายรพินอุทานลืมตาพรงอย่างตกใจในคำพูดประโยคหลังของท่านหัวหน้าคณะเช็ด้าหัวเราะแผ่วเบาเบลตาฉายแสงเกรียมระคนเศร้ากระสิบปุกง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 จะยังมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันนี้แต่เมื่อติดตามรอยกระชั้นชิดมาทุกระยะยิ่งพบหลักฐานมากขึ้นเท่าใดก็ยิ่งมีน้ำหนักในความเชื่อมั่นมากขึ้นเท่านั้นถึงแม้เงใสเองก็มีความมั่นใจอย่างเดียวกับผมเชษฐารีตาจ้องมองไปตามถนนสายยาวเหยียดที่ทอดไปบนยอดทิวสูงสูงต่ำๆเบื้องล่างจนสุดายตา ต, ตอบรอเราอยู่เบื้องหน้าแล้วครับผมภาวนาขอให้เป็นอย่างที่คุณหวังไว้นี่เถึดแต่มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะไปพบเขามีชีวิตเป็นสุขดีอยู่บนกองของขุมเพชรที่เขาพบโดยไม่คิดจะหาทางกลับไปสู่โลกภายนอกอดีตนายพันโททูตทหารบกุกพื้นพม์เหมือนจะกล่าวกับตนเองขณะนั้นดารินชยยันและมาเรีย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 แปลกจริงน้อยมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยเนี่ยนาฬิกาพี่ตายไปแล้วนะเนี่ยเชษฐาร้องขึ้นดังๆพยายามเขย่าและยกฟังเสียงอยู่เช่นนั้นชยันร้องเฮ้ยออกมาอย่างตกใจเพนก็ามาใกล้คว้าแขนเพื่อนขึ้นมาดูอ้าวชิบหายละสิไม่เดินจริงๆด้วยเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยไม่ได้กินตักเตานออยังไงวะเนี่ย ลาลินปาดเข้าไปดูอีกคนหนึ่งอย่างไม่อาจจะเชื่อได้ถึงกระถอดออกจากข้อมือของพี่ชายแล้วยกขึ้นเขย่าแรงๆแล้วร้องเอ็ดออกมาอย่างงุนงงเหลือที่จะกล่าวไอ้มันโกดอะไรซะแล้วน่ะเนี่ยแปลกจริงๆออโตเมติกก็รู้สึกว่ายังดีอยู่นะแต่เข็มไม่ยอมทำงานเลยมาเรียขอไปดูอีกคนหนึ่งภายหลังจากพิจารณาและหมุนเข็มอยู่นานหลงเงยหน้าตื่นตื่นมองไปยังรพินไพรวัน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 พี่จำได้ไหมคะดูเวลามันครั้งสุดท้ายนะเมื่อไหร่ก็ก่อนที่เราจะไต่ขึ้นเขาลูกนี้มานอะเมื่อเที่ยงเศษๆนี่แหละแปลกมากนะคะทำไมมันถึงได้หยุดเดินไปเฉยๆอย่างนี้ละ่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเพิ่งจะมารู้เอาเดี๋ยวนี้แหละเพราะรพินถามเวลาทุกคนมองไปที่รพินเห็นเขาแสดงอาการชงนในบางสิ่งอย่างแรง ต่อมาก็ควักเอาเข็มทิศเล็กๆส่วนตัวออกมาเปิดฝาดูหน้าปัดเปรียบเทียบกับเข็มทิศจิ๋วที่อยู่ในหน้าปัดนาฬิกาของเจษฐาแล้วก็ลืมตากว้างหันขับไปทางยอดเขาลูกหนึ่งและจ้องขม็้งพร้อมกับร้องออกมาเร็วหรือว่ามาดูอะไรนี่เร็วครับทั้งหมดเพนพรวดเข้ามาทันทีอย่างประหลาดใจขีดสุด